ยี่สิบสามการเรียนภาษาต่างชาติคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะสนั่งเกอร์ดูโปร s ุเกสิสก็สค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะยาและฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะฉันกดิดว่าและฉันกพูดิได้ด้ว่ากพูดได้ด้วากภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีฉันก็สามารถเข้าใได้ดีฉันสามารถเข้าใจได้ดีฉันามรถเข้าใจได้ดีฉันสามารถเข้าใ a ได้ดีฉันสามารถเข้า s จได้ดีฉันสามารถเข้าใจได้ีฉนสามาร j เ g g าใจได้ดีฉันสามารถเข้า้ โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะดูมอ er ่อลติดคุริเกอร์ไม้ทักการออกเสียงของคุณดีมากอุทาลินดินอาร์เวลดีบราคุณมีสำเนียงนิดหน่อยดูห่าร์นลิตนักสังคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะว่าอะไรมูชมอลดิ t คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ g å r d u på s p r å k k u s คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะ ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ den heter ฉันนึกชื่อมันจะเป็นเรื่อกค่าย t ล t ที่จ n ดิฉันป่ะโ m t